แม้ว่าจะดูจากผิวเผินเห็นขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาก็ตามอันนี้นี่เองจึงเป็นเหตุผลสรุปได้อย่างแน่นแฟ้นว่าเหตุใดจึงสามารถร่วมเสี่ยงอันตรายด้วยกันครั้งนี้ได้พักใหญ่ต่อมาการเดินทางก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทัศนวิสัยรอบด้านเริ่มกระจกระจ่างชัดขึ้นบ้างแล้วแดดตอนสายจัดส่องผ่านม่านหมอกลงมาป็นทางสามารถมองเห็นภูมิประเทศรอบด้านกว้างไกลขึ้น บึ้งร่างในระหว่างวงร้อมอันกว้างใหญ่ของทิวเขามองเห็นเขียวทึบลงไปไม่ไกลนักเป็นดงดิบรักษณะก้นกระทาไผ่สารสลับไปด้วยเนินและลุ่มน้อยใหญ่เหลือที่จะขนานนับเหมือนมองดูภาพจำลองในแผนที่หุบที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับชาวป่าเรียกกันว่าหุบหมาหอนพรานใหญ่บอขึ้นด้วยเสียงห้าๆขณะที่เชษฐาและชายยานกาลังใช้กล้องส่องทางไกลสารวจอยู่ จากหนองน้ําแห้งจนถึงหล่มช้างป่านี้เป็นป่าดุที่สุดไม่มีใครค่อยกล้าผ่านเข้ามานักมันอยู่ในวงร้อมของกำแพงเขารอบด้านเป็นแอ่งอยู่ใจกลางพอดีแต่กว้างใหญ่มากเนื้อที่เป็นพันๆตารางกิโลเมตรทึบเหลือเกินชา ย, ยันพึมพำออกมาส่งกล้องให้ดารินสัตว์เห็นจะชุมไม่ต้องห่วงหรอกครับตั้งแต่เห็นท่าตั้งแต่เห็บทาก ขึ้นมาจนกระทั่งแรดหรือช้างรวมทั้งไค่ป่าผมเองก็ได้รับเชื้อมาเรเลียมาจากป่านี้ติดตัวเรื้อรังอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ฮ่าบอกกล่าวก่อนนะในพรานดารินสะดุง้งร้องเสียงหงเอ็ดออกมาหันขวับมาจ้องหน้าเขาตาเบิกโพงสัตว์ ร, ร้ายสักเพียงไหนก็ช่างมันเถอะฉันไม่หว่นหรอกขออย่างเดียวเท่านั้นไอสัตว์ก่อความรำคาญชวนขยะขยงประเภทเห็บหนอนหรือทาก ฉันไม่เอาด้วยแล้วคราวนี้ยอมแพ้จริงๆขอหเห็นใจฉันบ้างเถิดแม้ว่าจะไม่เห็นใจในเรื่องอื่นๆพรานใหญ่ยิ้มขันขันดารินมีสีหน้าขวัญหนีดีฟอ่อเอาจริงๆเมื่อเขาเอ่ยเห็นถึงเห็บและทางเสือช้างหมีแรดคุณหญิงไม่กลัวทำไมถึงมากลัวสัตว์ตัวเล็กกระจิตรลิศหล่อนทำตัวสารข น, ขข น, นลุกขนชันบรือบอกไม่ถูกหอกพูดจริงๆนี่น บอกกล่าวเสียก่อนฉันไม่เอาด้วยเดี๋ยวได้หันหลังกลับเท่านั้นเสร็จกันเสร็จไอตอนเจอท่ากนี่เองชายานบ่นเบาๆพรางหัวลอ้อหึหสอบเอ็นทรานไม่ผ่านจะแล้วละน้อยเอ้ยเห็นจะไม่ได้ไปเทื่อขาวพระสิวานแน่ถ้ามัวแต่กลัวท่าอยู่เดินป่ามันก็ต้องพบทุกอย่างนั่นแหละไม่ว่าจะเห็บทา่ากลิ้นไรอยากสบายต้องนอนอยู่กับบ้านเรื่องเล็กหรือเกินทีเสือช้างไม่ยักกลัว หม่อมราชวงศ์สาวคนสวยหน้าซีดรงอย่างน่าสงสารทำหน้าเหมือนจะร้องไห้พูดเสียงเครือโธ่ก็ฉันเกลียดมันนี่นะขยะขยงออกไม่รู้จะไปสู้รบกับมันได้ยังไงสัตว์อื่นไม่ว่าจะร้ายกาศสักขนาดไหนฉันไม่หวั่นสักนิดสู้หน้ามัได้ทั้งนั้นบอกแล้วยังไงว่าไอสัตว์หน้าขยะขยงประเภทนั้นฉันยอมแพ้ราบไม่เอาไม่ไปด้วยแล้วหล่อนสุดตัวลงนั่งไม่ไปเธอก็ต้องนั่งอยู่คนเดียวตรงนี้ หรือไม่ก็เดินไปทางอื่นคนเดียวแล้วค่อยไปพบกันที่ป่าหวายชายยันทำหน้าขึงขังกระซา้ายังได้เชิญไปเถอะทิ้งฉันไว้ที่นี่แหละดาลินพูดสะบัดสะบัดแล้วผินเดินเข้ามาใกล้ยิ้มอ่อนโยนไม่มีใครทิ้งคุณหญิงหรอกครับโปรดอย่าวิตกไปเลยเราจะเดินผ่านในบริเวณที่มันมีทาาหรือเห็บชุมเสียก็แล้วกันหรือถ้าจำเป็นจริงๆ ผมก็มีย้ายคุณหญิงทารับรองนี้ว่าจะไม่มีผ้าท่าตัวไหนเกาะตัวคุณหญิงได้เลยลุกขึ้นเถิดครับหญิงสาวครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งกัดเล็บอย่าหอกกันนะไม่รอกสิครับโทษไม่รู้ละพาฉันเดินเข้าไปในป่าทากไม่ไรแล้วก็ฉันไม่ยอมไปด้วยอีกแล้วจะทิ้งฉันไว้ก็ตามใจป่าชิ้นแฉะมากหรือระพินเชื้ถาเอ่ยขึ้นอย่างเคร่งขืม ส่วนมากครับเวลาหน้าแล้งป่าที่ไหนแห้งหมดมีบริเวณหุบหมาหอนี้เท่านั้นที่เขียวช อ, อุ่มอยู่ทั้งปีดูลักษณะของป่าแล้วมันยังไงพิก น, นะหัวหน้าคณะเดินทางกล่าวพร้อมกับยักไหล ย, ยิ้มเดี่ยนรู้สึกว่าจะเป็นโลกอีกโรคหนึ่งโดยเฉพาะไม่มีทางติดต่อกับป่ารอบด้านอื่นๆเลยเพราะเขาสูงชันร้อมไว้รอบด้านคุณเคยผ่านบ่อยไหมก็ไม่บ่อยนักหรอกครับเพียง4ี่ห้าครั้ง ถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมก็ไม่ผ่านเข้ามาเหมือนกันผมไม่เคยมาดักสัตว์ในหุบนี้ลําเลียงออกไปขายเลยไม่รู้จะขนออกไปได้ยังไงเพราะต้องปีนขาวขึ้นมาในนี้เป็นแหล่งปลอดภัยของพวกสัตว์มันอาศัยหลบภัยได้เป็นอย่างดีแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีทางด่านแห่งใดแห่งหนึ่งสําหรับให้สัตว์ป่านนอกหลบเข้ามาในป่านี้ได้เพราะผมเคยตามกระทิงลําบากตัวหนึ่งเมื่อปีกายและมาพบได้ตัวมันในป่านี้ เป็นการตามเข้ามาอย่างดาวสุ่มเช่นนั้นเองก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าจะพบมันในนี้ไม่เชื่อในทีแรกว่ามันจะต่ยขาวชันขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อปรากฏว่ามันหนีจากป่านอกเข้ามาในป่านี้ได้ก็ต้องแปลว่ามีทางผ่านสําหรับมันผมยังสงสัยอยู่ทุกวันนี้ว่าไอ้แหว่งจะมีที่หลบซ่อนตัวอยู่ในนี้ก็ได้เว้นไว้แต่ว่าผมยังไม่สามารถสํารวจพบทางเข้าออกของพวกสัตว์ป่า ที่ใช้เป็นทางติดต่อระหว่างป่านในและป่านนอกเท่านั้นมันจะต้องเป็นทางลับที่สุดและถ้าเรารู้เราก็คงไม่ต้องลําบากไต่หน้าผาเสี่ยงขึ้นมาอย่างเมื่อครู่ใหญ่นี้สีหน้าของเชฐาเต็มไปด้วยความกังขาในคําบอกเล่าของเขาเอถ้ามันน่าคิดเสียแล้วละละพินมองดูด้วยสายตาผาดผ่านนี่รู้สึกว่าดงทุบในแองกทาที่เราเห็นอยู่นี่ ไม่น่าจะมีทางผ่านเข้าออกติดต่อกับป่ารอบนอกได้เลยนอกจากปีนหน้าผาชันขึ้นมาอย่างพวกเราสัตว์ที่จะไปได้จะมีก็เห็นจะเป็นพวกสัตว์เล็กที่ปีนเขาได้เท่านั้นแต่คุณบอกว่าคุณตามกระทิงจากป่านอกแล้วเข้ามาพบในดงนี้ถ้ากระทิงมาไปได้ช้างก็ไปได้ว่าแต่คุณแน่ใจหรือว่ากระทิงตัวนั้นเป็นตัวเดียวกันกันกบที่คุณตามมาจากป่านอกแน่ใจครับ กระทิงตัวนั้นเป็นกระทิงร้ายพวกชาวป่าเรียกมันว่าไอ้เจ้าผมตามมันมาเป็นเวลาสามปีเต็มๆแต่ก็ไม่ได้ตามจริงจังอะไรนะักครั้งสุดท้ายพบมันไปจันทหน้าที่ห้วยใหญ่แฝงผมไม่ทันรู้ตัวมาก่อนถือลูกซองแฝดบรรจุลูกขนาด9เมตรรำกล้องหนึ่งส่วนอีกรำกล้องเป็นลูกญิงนกมันพุ่งเข้าใส่ผมก็เลยเหนี่ยวออกไปพร้อมกันทั้งสองกาแล้วก็วิ่งขึ้นต้นไม้โชคดีที่มีต้นตะเคียนอยู่ใกล้ๆ มันหวนกลับมาชนโคนต้นตะเคียนแล้วเฝ้าผมอยู่ใต้ต้นพากใหญ่พอดีบุญคํากับเกิดตามมาทานมันก็เลยเปิดไปหลังจากนั้นผมก็ตามมันอย่างกระโวดขันเพราะมันฆ่าเกรเหลี่ยงเสียอีกหลายคนรอยมันขาดขา ด, ขาดหายหายอยู่ที่ตีนเขาลูกโน้นพร้อมกับพูดเขาชี้มือให้ดูเขาทะมึนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือผมพยายามค้นเท่าไหร่ก็ไม่พบว่ามันหายไปทางไหน พยายามตรวจดูทางด่านก็ไม่มีวิ่แววเลยว่าจะมีทางข้ามเขาอันเป็นหน้าผาชันไปได้ยังไงพอดีบุญคําที่มาด้วยชวนผมปีนหน้าผาตอนนั้นบอกให้เลยเข้ามาเที่ยวในแองกระทาของหุบหมาหอนี่ผมก็เลยข้ามมาโดยไม่คิดว่าจะพบร่องรอยอะไรของไอ้เจ้าเพียงแค่สำรวจป่าค่าวเวลาเท่านั้นตกเย็นนั่นเองขณะที่นั่งหุงข้าวกันอยู่ริมพุแห่งหนึ่งมันโผล่มาจากไหนไม่ทราบพรวดเข้าใส่ ถ้าขนาดนั้นปืนอยู่ห่างตัวผมออกไปอีกนิดเดียวผมก็จบไปแล้วขณะที่ยิงหัวของมันห่างจากปากกระบอกปืนแทบไม่ถึงซอกปรากฏว่ามันคือไอเจา้าตัวนั้นนั่นเองผมว่าถ้างั้นต้องมีทางด่านแน่กระทิงคงจะตอกทอยไต้หน้าผาชันไม่ได้หรอกและทางอย่างว่านี่แหละที่พวกสัตว์ใช้เป็นทางผ่านระหว่างป่าในและป่านอกชยยันลงความเห็นมาโดยเร็ว ผมก็ว่าต้องมีครับแต่ผมพยายามค้นเท่าไหร่ก็ไม่พบและถ้ามันมีทางด่านเชียาพึมพำมตาหลีลงจะเป็นไปได้ไหมที่ไอแหว่งขณะนี้อาจหลบเราอยู่ในดงข้างล่างนี้ก็ได้ทุกคนมองตา ก, กัรแล้วอึ้งไปผมยังสงสัยอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกแล้วพรานใหญ่พูดเสียงต่ำๆไอแหวงไม่ได้อยู่ในหุบหมาหอนป่านนี้มันจะต้องอยู่ที่ป่าหวายทันใดนั้น เสียงเฮาฮ่าของใครคนหนึ่งก็แทรกขึ้นมาทุกคนหันขวับไปก็พบว่าเจ้าของเสียงที่ทะลุกลางป้องขึ้นลอยๆคือแง่ายผู้ไม่เคยพูดอะไรบ่อยนักระผิดจ้องหน้าขม็งเหมือนจะสํารวจหาอะไรบางอย่างแกรู้ได้ยังไงชาวดงผู้ลึกลับผูรอดเสียงลึกในลาคอผมบอกไม่ถูกผู้กองว่าผมรู้ได้ยังไงบางทีอาจเป็นสังหรณ์เมื่อคืนนี้ผมเห็นอะไรบางอย่างแกเห็นอะไร เชิถาชัยยันและดาลินถามเร็วปื้มาเป็นเสียงเดียวกันจ้องหน้าสีทองแดงนั้นไม่กระพริบเห็นพระธุดงองค์ที่เคยเลี้ยงผมมายืนอยู่ตรงหน้าท่านมาขอบินทบาชีวิตของไอ้แหวงกับโครงของมันไว้ท่านให้ผมบอกกับพวกเจ้านายว่าจงอย่าได้คิดติดตามล่ามันอีกเลยต่อไปนี้มันจะบ่ายหน้าเข้าดงลึกไก่โพนและจะไม่ออกมาเป็นภัยกับมนุษย์ใดๆอีกแล้ว คนที่ล้มตายไปเพราะมันนั้นก็อันเนื่องมาจากบุพกรรมที่เคยทำกันไว้ก่อนแต่ถ้าหากยังจะคิดล่ามันก็จะเป็นเวรกันไม่สิ้นสุดและชีวิตของพวกเราอีกหลายคนจะล้มตายลงแง่ท า, ายผ่านใหญ่ตวาดร้านหนึ่งเดือดดานโทสะตาลุกวาวแกบังอาจมากที่กล้าปั้นเรื่องมดเทศขึ้นถึงเพียงนี้ฉันรู้เจตนาแกดีแกไม่ต้องการให้พวกเราเสียเวลาติดตามไอ้แหวงอยู่ ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไรเพราะแกต้องการให้เริ่มต้นการเดินทางออกจากกล่มช้างโดยเร็วกล่าวจบรับเพีก็ปรีเข้ามาอย่างรืมตัวแต่ก็ต้องชะงักเพราะดาลินเหนียวไหลกระชากไว้ร้องเสียงแหลมรับเพียหยุดคุณจะทำอะไรแง่ทายเขาได้สติยืนชะงักจ้องหน้าแง่ทายนิ่งหนุ่มชาวดวงพนเจจนจรคงมีสีหน้าเยียบเย็ยนอยู่ในอาการปกติ มองตอบเขาด้วยสายตาเปิดเผยปราจากความหมายเช่ดถาชา ย, ยานหันมองหน้ากันเองไปมาแล้วมองไปที่พรานใหญ่กับแง่าสายสลับกันอยู่เช่นนั้นเป็นครูใหญ่เช่ดาจึงหัวเราะขึ้นเบาๆเดินมาตบหลังรพินแล้วก็มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าหนุ่มชาวดงเอ่ยด้วยน้ำเสียงปลานีว่าแง่าสายเหลวไหลนะ่ะนายฝันไปเสียแล้วผมอาจฝัน แต่เป็นความฝันที่เห็นและได้ยินเช่นนั้นจริงๆผมไม่ได้ปั้นเรื่องมดเท็ขึ้นผมเพียงแต่บอกว่าพระธุดงองค์นั้นท่านพูดกับผมเช่นไรแต่ผมก็จะไม่ขัดขวางในเจตนาของคณะเจ้านายและพร้อมที่จะรับใช้ทุกอย่างเหมือนเช่นที่ปฏิญาณไว้แง่าสายตอบด้วยเสียงห้ามีกังวลเช่นเดิมชายยันยิ้มกว้างๆเข้ามาตบไหลหนุ่มพเนจรชาวดงเบาๆ บ, บ, บอกว่าถ้าพบพระธุดงองค์นั้นอีกก็ ฝากบอกท่านด้วยเถิดว่าท่านจะขอบินทบาทเรื่องอื่นเรายินดีถวายทั้งนั้นแต่ขอยกเรื่องไอ้แหว่งนี้เสียเถอะมันมีเวรไว้กับมนุษย์มากและถึงคราวแล้วที่มันจะต้องใช้เวร น, นั้นตามกฎแห่งกรรมเราเสียเวลาเสียอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของลูกหาบของเราซึ่งไม่ได้ไปทาอะไรมันก่อนมาแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้มีอยู่สองทางเท่านั้นไม่มันก็เราต้องปนกันไปข้างหนึ่ง ฉันเชื่อเธอแงซายดารินกล่าวออกมาอีกคนหนึ่งอย่างอ่อนโยนยิ้มให้ว่าเธอไม่ได้ปั้นเรื่องมดเท็ดขึ้นเธออาจเตือนเราด้วยความหวังดีโดยบริสุทธิ์ใจแต่เราจะเลิกล้มไม่ได้ถ้าไอแ้แหวงจะไม่มีเวรกรรมกับพวกเราต่อไปก็ขอให้มันหลบหนีหายเข้าดงลึกไปเสียเลยอย่าได้ป้วนเปี้ยนวนเวียนให้เราค้นพบอีกแล้วหล่อนก็ฉุดแขนแะพินให้เดินห่างออกไปกับซิบสีหน้าจริงจัง คุณต้องไม่ถือสาอะไรแง่สายได้ยินไหมหน้าตาคุณน่าเกลียดหน้ากลัวเหลือเกินเมื่อะกี้นี้ถ้าคุณทำอะไรแง่สายแล้วก็ฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณเลยพรานใหญ่พยายามระ ง, งับความรู้สึกลงเป็นปกติหัวเราะหึ่หึควัก บ, บุหรี่ไปตองแห้งออกมามวนผมต้องขออภัยครับคุณหญิงผมลืมตัวไปจริงๆเจ้าคนใช้พิเศษของคุณหญิงนี่ยวนมากความจริงยังยวนน้อยกว่าคุณเป็นไหนไหน เมื่อกี้นี้คุณจะทำอะไรเขาตันหน้ามันสักทีบ้าใจร้ายดีนะที่ฉันกระชากไว้สีทนันฉันมองไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทำไมคุณถึงคอมเมนต์เขาตลอดเวลาก็คงเหมือนกับที่คุณหญิงคอมเมนต์ผมนั่นแหละเขาตอบด้วยเสียงห้วนกระชากยกมือขึ้นขยี้จมูกยางหุดหงิดแล้วยัดบุหรี่เข้าปากสบัดไ ร, รเตอร์โดยแรงมีอย่างหรือ มันดันพูดอะไรเป็นการทําลายขวานพวกเราออกมาได้มันบอกว่าพวกเราจะต้องตายเพราะไอ้แหว่งอีกถ้ายัางคิดจะตามล่ามันเป็นพวกไอ้แหว่งหรือพวกเรากันแน่และที่ผมรู้วัตถุประสงค์แท้จริงก็คือหมอพยายามจะเร่งการเดินทางไปถึงเทือกเขาพระศิวะโดยเร็วมันมีจุดประสงค์เล่นดับอะไรอยู่ที่นั่นก็ไม่รู้แล้วก็แสดงออกโดยไม่คํานึงถึงว่ามันอาศัยพวกเรามาเราเองก็ต้องการจะไปถึงที่นั่นโดยเร็วที่สุดไม่น้อยกว่ามันเหมือนกัน โธ่อย่าคิดอะไรไปให้มากนักเลยหน้ารล้พินหล่อนพูดเสียงอ่อนกับเขาเป็นครั้งแรกในยามที่เขาเป็นฟืนเป็นไฟเช่นนี้สีหน้ากลุ่มใจฉันไม่สบายใจที่เห็นคุณไม่ชอบหน้าแงซายพวกเราเป็นคนรับเขาเข้ามาเองก็เพราะพวกคุณหญิงรับหมอนี่เข้าไว้นะสิครับผมถึงยอมให้มันมาด้วยถ้าไม่งานผมก็ไม่ให้มาด้วยผมรู้ว่าพวกของคุณหญิงพอใจเจ้านี่มากแต่โปรดระลึกไว้ให้มากๆด้วย ไอ้หมอนี่คืออดีตนายทหารกระเรียงอิสระเคยป้อนค่ายตำรวจตะเวนชายแดนปนปี้มาแล้วหมอเคยเป็นโจรแล้วเข้ามาขอสมัครไปด้วยก็ด้วยจุดประสงค์ลึกลับที่เรายังไม่รู้ชัดเราอาจถูกตลบหลังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ภายใต้สีหน้าซื่อๆด้วยการรับใช้อย่างดูเผินๆว่าสุดจริตพักดีนี้หมอไม่ใช่คนซื่อนักหรอกภายใต้สีหน้าซื่อๆเซ่อๆนั่นน่ะรู้ไว้สิ ด, ด้วยว่าคมร้ายกาศทีเดียว ลึกลับก็เท่านั้นแต่อย่าลืมนะว่าแงายสายเคยช่วยชีวิตคุณไว้ตอนที่ค่ายตำรวจของคุณถูกโจมตีและคุณเพ่นหนีเอาตัวรอดดาลินพูดอ่อยๆรับยินจุดบุหรี่สูบพ่นควันขมวดคิ้วนิ้วหน้านั่นเป็นคำกล่าวอ้างของหมอเองตะหากหมออาจมาพูดเอาบุญคุณกับผมก็ได้ผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าผมแหวกวงล้อมออกมาทางด้านแงยสายและหมอไม่ยิง ปล่อยให้ผมรอดไปขณะนั้นมันชุดละมูลไปหมดและฉากเป็นความมืดการรบเป็นไปอย่างตลุมบอลแต่คุณก็คงไม่ปฏิเสธว่าก่อนค่ายตำรวจตะเวนชายแดนของคุณจะถูกกองจรกะเหลี่ยงโจมตีแงซ า, ายได้มาพูดเป็นในๆนเตือนให้คุณรู้ตัวและขอให้พระหนีร่วงหน้าแล้วนั่นย่อมแสดงว่าเขามีเจตนาที่ดีกับคุณอยู่ก่อนพรานใหญ่อดีตในร้อยตำรวจเอกตะเวนชายแดนไทยอึ้งไป แต่แล้วก็เอาสีข้างเขาถูบ้างนั่นก็ไม่ใช่บุญคุณอะไรผมเคยช่วยหมอไว้ก่อนตอนที่พวกตำรวจจะยิงทิ้งอย่ากเกเรพาลีผ่านขวางนอกเรื่องสิคาระพินดาลินยกมือขึ้นกอดอกอมยิม้มชายหางตามองดูเขาพูดแผ่วหวานผิดไปกว่าทุกครั้งที่เขาเคยได้ยินเพราะมันมีคำว่าคะอยู่ด้วยซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน ระหว่างนายจ้างราชจะกุลสาวผู้แสนญิงและไว้ตัวกับพรานป่ารับจ้างตำทางอย่างเขาเสียงนั้นมีกระแสกึ่งยั่วกึ่งเอาใจแต่มันก็ชะโรมอารมณ์ที่กำลังพลุ่งพล่านของเขาให้เยือกเย็นลงได้อย่างประหลัดร่ำฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องบุญคุณว่าใครจะมีต่อใครฉันพูดถึงเจตนารมที่ดีต่างหากเมื่อแก่ต่างแทนให้แก่งแง่ทราย คุณมองเขาในแง่ร้ายตลอดเวลาฉันก็พยายามจะหยิบยกในแง่ดีของเขาซึ่งเคยมีต่อคุณเองมาในอดีตเพื่อให้คุณคิดเปรียบเทียบดูบ้างเท่านั้นเอาละ่ะถึงแม้คุณจะระแวงเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ไว้วางใจได้สนิทนักฉันก็ไม่ห้ามละ่ะแต่อยากจะขอร้องอะไรสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมอะไรอย่าแสดงอะไรเป็นการใจร้ายกับเขานักอย่าให้เขาเห็นว่าคุณดังเกียจเขาจนออกนอกหน้า หรือว่ามองเห็นเขาเป็นศัตรูเขาอยู่ในกลุ่มของพวกเราเพียงคนเดียวและอุตสาหฝากตัวเข้ามาเป็นค่าช่วงใช้แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่บกพร่องเขาควรจะได้รับความเมตตาพอสมควรจากคุณบ้างคุณหญิงเมตายหมอนี่มากเหลือเกินนะฉันสงสารเขาหน้าสงสารเสียละเกินนะระวังให้ดีเถอะมันจะร่วงตับเขาให้สักวันหนึ่ง พวกของคุณหญิงไม่มีวันเฉลียวคิดตามทันมันหรอกคุณควรจะแสดงเหตุผลที่ชัดหน่อยนะในการที่คุณจะระแวงแง้ายถึงเพียงนี้อย่าให้ผมพูดเลยแล้วปินหัวเราะหึ่หึออกมาอีกครั้งอัดควันบุหรี่ลึกทุกสิ่งทุกอย่างของหมอนี่ล้วนลึกลับไปหมดทั้งนั้นสายตาผาดผ่าดมองไม่พบหรอกเมื่อคือนนี้ก็เหมือนกันตอนที่คุณหญิงลุกขึ้นมานั่งแล้วก็บอกให้มันนอนนั่นนะคุณหญิงนึกว่ามันหลับเหรอ ดาลินหน้าตื่นทำไมหรืออ้าวฉันให้เขานอนเขากลับนะสิเห็นกลนออกสนันไปจอมผ่านแยกเขี้ยวผมบอกคุณหญิงมาครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมว่าวิชาเสือผานสอนไว้ว่าพวกเสือนะถ้ากลนไม่หลับถ้าหลับก็จะไม่กลบนเมื่อตอนที่คุณหญิงนั่งอยู่นั่นนะ่ะหมอนี่ไม่ได้หลับเลยแกล้งกลนหลอให้คุณหญิงตายใจไปงั้นเองแหละเหรอ ร่อนร้องแล้วหัวเราออกมางงงงหันไปทางหนุ่มพเนจรผู้บาดนี้กําลังยืนพูดอยู่อะไรกับเชิฐาและชา ย, ยานห่างออกไปฉันไม่อยากรู้แต่ก็ไม่เห็นแตกอะไรนี่ถึงเขาไม่หลับก็ไม่เห็นเป็นอะไรสักนิดไอ้เป็นไรนะ่ะไม่เป็นไรหรอกตาบเท่าที่หมอยังไม่ได้สำแดงฤทธิ์ร้ายออกมาแต่อย่างน้อยก็ขอให้รู้ไว้ถึดว่ามันหลอกคุณหญิงและทุกคนแล้วว่ามันหลับทั้งๆ ท, ที่มันไม่หลับแล้วรู้ไหม พอคุณหญิงเข้าไปนอนแล้วผมยังนั่งอยู่ที่โขดหินริมแอ่งน้ําหน้าถ้าไอ้ผีนี่ย่องไปยืนอยู่ข้างหลังผมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงเลยหันมาพบโดยดังเอิญถึงกับสะดุง้งเกือบจะลูกปืนยัดตุมเข้าให้เสร็จแล้วดาลินปิดปากหัวเราะยังนั้นเหรอฮึแปลกดินี่ฉันไม่รู้ตัวเลยพอแย่จากคุณแล้วฉันก็เข้านอนหลับสนิทเลยไม่อยากรู้ว่าแง่สายลุกขึ้นตอนไหนแล้วยังไงเขา อ, ออกไปยืนอยู่ข้างหลังคุณทําไม ก็มายืนแยกเคี้ยวยิ้มอยู่นันสิผมก็ไม่รู้จุดประสงค์หมอเหมือนกันว่าดันลุกขึ้นมาทำไมไล่เข้าไปนอนดันนั่งลงใกล้ๆผมเสียอีกซ้ำยังพูดอะไรพิุ่กพิรุกชวนเตะอย่างไรพิ่กนพูดอย่างที่จะเชื่อไม่ได้ว่าคนดงจะพูดออกมาแล้วเขาก็หยุดชะ ง, งักตรงเพียงนั้นไหนแล้วต่อไปสิเอชักสนุกนี่หม่อมราชวงคนสวยเตือนเขาต่อมายิ้ ม, ย, มยิ้มด้วยความสนใจรถปนนิ่ง หล่อนเร่งซักมาอีกเขาจึงถอนใจเฮือกผมจะเล่าให้ฟังตามจริงก็ได้แล้วคุณหญิงก็ลองพิจารณาเอาเองเถอะในความลึกรับของไอ้หมอนี่ผมยังจําติดหูอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้กระพินกระดกริ้นออกมาเรียริมฝีปากหัวคิ้วยังคงขมวดอยู่เช่นนั้นในขณะนั้นผมนั่งอยู่บนโขดหินนกกระเวกร้องและบินผ่านแสงเดือนข้างบนหยุดริบๆไอ้เสือนี่เขานั่งลงกับ หงษมองตามแล้วก็พูดลอยๆขึ้นว่านกฟ้ากำลังร้องเพลงเล่นแสงเดือนผมก็ถามว่าแล้วยังไงมันหัวเราะบอกต่อมาว่าคนเห็นมันแต่เงาคนได้ยินมันต่ดเสียงไม่มีใครรู้แห่งที่อยู่ไม่มีใครได้สัมผัสแม้แต่ขนหางแต่คงจะมีสักโอกาสหนึ่งที่วิหบฟ้าพระแดนสวรรค์ลงมาเกลือกทุลีดิน วันนั้นย่อมเป็นวันปิติส ม, มนัตของพระสุทธาฟังหมอพูดสินี่ะรึกแงท า, ายคนใช้ชาวโดงของคุณหญิงดาลินซอยเปลือกตาทีเร็วแล้วลืมตาโผรงร้องเสียงสูงแง่ท า, ายพูดอย่างนี้เหรอก็อย่างนี้แหละสาบานได้ให้ตกหน้าผาตายเดี๋ยวนี้อืมแปลกนะแต่เขาจะเป็นใครล่ะนอกจากแง่ท า, ายชาวโดงเมื่อผมถามหมอ หมอก็ตอบผมอย่างที่คุณหญิงพูดนี่แหละซ้ํำยังพูดใส่หน้าผมด้วยอีกว่าหมอมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายไม่น้อยไปกว่าผมท้าทายผมพิสูจน์ด้วยแต่คุณต้องไม่ลืมนะว่าแง่ท า, ายนะพูดภาษาอังกฤษชัดเจนมากทีเดียวพวกเรางงกันมาทีหนึ่งแล้วเมื่อตอนสัมภาษณ์เขาที่หนองน้ําแห้งแง่ท า, ายพูดอังกฤษได้เพราะหมอเรียนมาในพมา่าและกองประชาการที่คุณหมิง แต่ภาษาไทยแบบนี้หมอไปเรียนมาจากไหนคนเราพูดอะไรออกมาจากใจจริงไม่จำเป็นจะต้องเรียนมาจากไหนก็ได้หล่อนเอ่ยขึ้นเหมือนจะรำพึงสีหน้าระมายด้วยรอยยิ้มประหลาดยากที่จะตีความหมายเอียงคอพึมพำทวนประโยคเบาๆเข้าใจพูดมากนะคนเห็นมันแต่เงาคนได้ยินมันแต่เสียงไม่มีใครรู้แห่งที่อยู่ ไม่มีใครได้สัมผัสแม้แต่ขนหางแต่คงมีสักโอกาสหนึ่งที่วิหกฟ้าพระแดนสวรรค์ลงมาเกลือกเล่นทุลีดินวันนั้นย่อมเป็นวันปิติสมนัตของพระสุทาหางตาคมปราบจับอยู่ที่ใบหน้าของเขาจริงของแง่ทายสักวันหนึ่งวิหกฟ้าพระจากแดนสวรรค์ลงมาเกลือกเล่นทุลีดินก็ได้ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าพระสุธาจะมีความปิติโส ม, มนัสสักเพียงไหนอาจไม่มีเลยก็ได้ตาต่อตาประสานกันนิ่งครั้นแล้วทันใดนั้นเองเขาก็ต้องสะดุ้งหันขวับไปโดยเร็วเพราะเสียงตะโกนเรียกของเชษฐาเมื่อเดินเข้ามาสมทบเชษฐาผู้บัดนี้ใช้กล้องส่องสำรวจภูมิประเทศอีกครั้งก็ถามมาว่าหุบข้างล่างนี่มันกว้างใหญ่หรือเกิน ผมสงสัยว่าต่อให้พรุ่งนี้อีกวันเต็มๆ เ, เราจะผ่านมันได้พ้นหรือเห็นยอดดอยดูขวามือนี่ไหมครับลักษณะเหมือนผู้หญิงนอนหงายอยู่นั่นพรานใหญ่ชี้มือไปทางทิวเขาด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเห็นอยู่ไม่ห่างไกลนักระยะทางคำนวณคร่าวโดยสายตาประมาณไม่เกิน20สบกิโลเมตรสันฐานเห็นชัดเป็นรูปผู้หญิงนอนหงายมีตั้งแต่ส่วนศีรษะลงมาถึงท่อนเอวเราจะตั้งเข็ม ตัดเฉียงจากตีนดอยที่ยืนอยู่นี้ทำมุม30บองศาเพื่อไปถึงขาวนางลูกนั้นเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยผ่านภูเขาหมาหอนเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นไม่ใช่ตัดผ่าใจกลางหุบระยะทางมันไม่ไกลนักหรอกครับคืนนี้เราจะนอนในหุบพอพรุ่งนี้สายๆก็จะถึงดอยนางข้ามข้ามดอยนางอีกครั้งก็ลงป่าหวายแล้วคณะนายจ้างของเขาเพิ่งจะเข้าใจตามคําอธิบาย ชายันพึพรรมพำออกมาอ๋อตัดไปที่เขารูปนางนอนนั่นหรอกเหรอคอยยังชั่วหน่อยทีแรกผมนึกว่าจะผ่ากลางหุบไปยังทิวขาวเขียวริบหริที่เห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นสิอีกจอมพา่านหัวเราะถ้าผ่านดงหมายไปยังทิวขาวที่คุณชายันว่านั่นอีกอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ถึงครับและนั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราเพราะป่าหวายไม่ได้ไปทางนั้นขึนไปถึงเขาวลูกนั้นจริงๆก็เข้าเขตพม่ า, มาแล้ว แล้วก็มีหวังเจอกับพรรคพวกเก่าๆของพ่อแงซายนอนยิ้มรออยู่ที่จะป้อนอยู่ใกล้เทียงเข้ามาทุกขณะแล้วก็ใกล้ตีนดอยลงไปทุกทีอุณหภูมิของอากาศค่อยเปลี่ยนแปลงไปด้วยจากความเย็นช่่ากลายมาเป็นความร้อนอบอ้าวที่เริ่มทวีขึ้นเป็นลาดับตามระยะที่ตายตามลงมาหมู่ไม้เริ่มจะหนาตาขึ้นพ่อชิดดงใหญ่ข้างล่างการเดินลงสะดวกสบายและกินแรงน้อยกว่าตอนขาขึ้น พระพินนำทางไฟอย่างไม่รีบร้อนนักตัดทาตื้นตนตอนหนึ่งซึ่งเป็นที่อาศัยของข้างๆนับแสนไฟฉายถูกนำออกมาใช่อีกครั้งสำหรับสองทางเพราะภายในเต็มไปด้วยโตเขวอันมีลักษณะเป็นหลุมเล็กหลมน้อยซึ่งถ้าก้าวพลาดก็อาจลมหล่นหายลงไปในลักษณะเหมือนถูกธรณีสูบทุกคนไม่กล้าเดินแยกปะิปะไปทางอื่นนอกจากเรียงเดี่ยวตามรอยเขาไปชนิด9้าต่อ9้า ระหว่างที่งมกันไปในโพรงถ้ำอันยาวเหยียดหนาทึบไปด้วยขี้ค้างคาวสูงรวมศอกนั้นงูเห่าหม้อตัวขนาดข้อมือตัวหนึ่งลุยปราดผ่านหน้าไปในระยะกระชั้นชิดเกร็ดสีดําสดิดของมันกระทบลําไปฉายเป็นมนระเรื่อมแล้วไปหยุดชูคอแผ่แม่เบีย้ยแลบดิ้นแปรปราบอยู่ที่ซอกหินตอนหนึ่งตาสะท้อนแสงไฟวาวเหมือนเพชรชายยันผู้เดินตามหลังพรานใหญ่เป็นคนถัดมากระช้าปืนเปิลออกจากซองแต่ระพินขยุ้มมือ ไวกิอย่าครับมันตกใจเรานะ่ไม่ได้คิดที่จะทำอะไรหรอกขืนยิงประเดียวลูกปืนแฉลบแล้วถ้าถูกไม่จังมันจะพุ่งเข้ามาเชษฐาก็ตะคุบข้อมือน้องสาวไว้เช่นกันเพราะขณะ น, นี้ปืนสั้นของหล่อนขึ้นมาอยู่ในมือด้วยสัญชาตญาณดูเหมือนจะชักก่อนชัยานเสียอีกระพินผู้ยืนอยู่หัวแถวร้องเรียกแงซ า, ายผู้อยู่ปลายแถวเบาๆพอได้ยินเมื่อมีเสียงขาน ร, รับเขาก็สั่งเงียบๆว่า แกเป็นคนสุดท้ายตายแถวของเราพยายามเอาไฟฉายจับมันไว้นะแล้วก็ค่อยๆเดินผ่านมาเอาละครับทุกคนเดินตามผมไม่ต้องรีบร้อนอย่าพูดพลาดเมื่อแง่ทรา ย, ายอันเป็นคนรั้งท้ายเอาไฟจับที่ส่วนหัวของมันไว้ระพินก็เบนไฟฉายของเขาออกส่องไปเบื้องหน้าชายยานเชษฐาได้ดารินเดินย่องตามหลังเขาต่อมาก็เกิดส่วนแง่ทรายเดินพรางก็ส่องไฟสะกดไว้เช่นนั้นโดยไม่เปลี่ยนเป้าหมาย จนกระทั่งห่างออกมาพ้นระยะอันตรายจึงดับไฟมันไม่ตามมาเล่นงานเราหลอกหรือชายยันกระซิบอย่างไม่ไว้ใจขนยังลุกชันอยู่เช่นนั้นด้วยความขยะแขยงไม่หรอกครับเราพ้นระยะแล้วไอสัตว์ไม่มีตีนชนิดนี้ผมกลัวมันเสียจริงๆพับผ่าเห็นแล้วขนหัวลุกพอโโปรทะลุออกมาอย่างปากถ้ำอีกด้านหนึ่งทุกคนก็ตาฝ้าฟางไปด้วยแสงแด ด, ดและแผดเปรี้ยงของยามเที่ยง อากาศเปลี่ยนไปอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือตอนที่โปรออกมานั้นเป็นเชิงเขาเตี้ยเตี้ยลูกหนึ่งปกคุมไปด้วยป่าโปรสลับกับเนินหินและละม่อมเตีย้ยลมที่พัดผ่านมาหอบเอาไอร้อนมาปะทะวูบราวกับอยู่หน้าเตามีไม้ใหญ่ยืยนต้นเรียงรายกันอยู่ห่างชายดงทึบมองเห็นอยู่หลังเนินเตี้ยเตี้ยลูกหนึ่งไม่ห่างไกลออกไปนักรอบด้านเสียงกิ่งไม้ใบหญ้าถูกลมพัดเสียดสีกันอยู่ไปมารกรกับเสียงร้องของนกกะราง และนกประรอดหัวโขนแซ่นไปหมดภายหลังจากการปรับม่านตาให้เข้าที่พรานใหญ่กราดมองไปรอบๆทันทีนั้นเชิดาก็สะกิดแขนเขาพยักหน้าให้ดูฝูงแร้งที่กําลังบินว่อนอยู่เหนือยอดไม้เป็นกลุ่มทางหลังเนินไม่ห่างออกไปนักและเสียงร้องอันเกิดจากสงครามจิกตีกันเองดังก๊อดแก๊กได้ยินมาอย่างถนัดมีอะไรตายอยู่หลังเนินลูกนั้นก่อนที่รพินจะกล่าวเช่นไรลมกลุ่มหนึ่งก็พัดพูบมาอีกครั้ง กิ่นซากสาัตว์เน่าคลุ้งตลกไปหมดพร้อมกันก็มีเสียงหาวดังแยบแยบและคนไปกับเสียงหอนเยือกดังขึ้นทางทิศเดียวกันกันกบที่สังเกตเห็นฝูงแร้งนั้นเจ้านกผู้กินซากเน่าที่ส่งเสียงทะเลาะเบาแว้งกันชุรมูลบาดนี้พากันบินพืบพับขึ้นไปเกาะบนต้นไม้ใบโกรนจนยวบย่าไปหมดทุ ก, กิ่งห้อยหัวคอหลุบลงมามองข้างล่างแล้วก็พือปีกส่งเสียงลั่นอยู่เช่นนั้นเหมือนจะผลสวาสาบแช่งไอตัวการที่มาแย่งเหยื่อและขับไล่พวกมัน เสียงอะไรหมาในเหรอชั ย, ยันถามไม่ใช่หรอกครับไอ้หมาจิ้งจอกนะ่ะเสียงเห่าหอนแบบนี้ไม่มีใครนอกจากมันคงจะผ่านมาพบเหยื่อเขาแล้วแรงพวกนั้นแตกหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้พอลงมาถึงหุบหมาหอนก็ได้ยินเสียงไอ้หมาเจ้า ก, กรรมมันหอนต้อนรับทีเดียวนะมีหนำซ้ำยังเห็นความตายเป็นปฐมมาเลิกเสียด้วยดารินเปยขึ้น ทั้งหมดออกเดินตัดเนินมุ่งตรงไปยังตำแหน่งต้นไม้ที่เห็นแรงพวกนั้นเกาะอยู่โดยเร็วพอพ้นขอบเนินขึ้นมาก็มองเห็นซากใหญ่โตของสัตว์ชนิดหนึ่งนอนอยู่ในป่าเสือหมอบเตี้ยใต้ต้นไม้ที่แรงเกาะอยู่ในขณะ น, นี้เจ้าสัตว์ตัวสีแดงรูปร่างแป๊บปรี้ยวเล็กๆฝูงหนึ่งประมาณสี่ห้าตัวจุดเด่นที่เห็นชัดก็คือหางที่ห้อยเป็นพวงกําลังลุมกระชากถึงกัดกินอยู่ แรงบางตัวยังไม่ได้บินหนีแต่กระโดดออกไปยืนคุมเชิงอยู่ห่างๆพยายามจะเรียบเคียงเข้ามา